พระโควะโตอระหะโตสมานสมพุททัสสนาโมทัสสะพระควะโตอระหะโตสมานสมพุททัสสะนโมทัสสะพระควะโตอระหะโตสัมานสมพุททัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตับสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง มาร์ตรังปิตรังหันตวาราชาโนทเวจรคัตติเยะรัฐทางสานุจรังหันตวาอนิโคญาติพระมโนบุคคลข้ามารดาบิดาข้าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสอง และฆ่าแว่นแคว้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเก็บสวยแล้วเป็นพรามไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่มาตรังปิตรังหันตวาราชาโนทเวนจะโสเยวั ย, วยาคาปัญจมังหันตวาอานิโคยาติพระมนโนบุคคลฆ่ามานดาบิดา าพระราชาผู้เป็นพรามทั้งสองได้แล้วและข่าหมวดห้หมวดาแห่งนิวรมีวิจิกจฉชนิวรณซึ่งเป็นเช่นกับผนทางที่เสือเอคร่งเที่ยวไปเป็นที่ห้าแล้วเป็นพรามไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่ขอเจริญเมตตาต่อบาสกุบาศิกาผู้ศรัทธาในการฟังธรรมทุกท่าน ณบัตรีอัตบภาพจะได้นำพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าที่ได้แสดงต่อจากคราวที่แล้วซึ่งแสดงมาถึงเรื่องจันทูปะมะสูตรอยู่ในสังยุตตานิกายกัสปะสังยุตว่าด้วยเรื่องของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่ยกย่อ ง, องคุณสมบัติ ของพระมหากัสปะว่ามีคุณสมบัติที่พระภิกษุทั้งหลายควรประพฤติตามเพราะเป็นแบบฉบับที่ดีเช่นเป็นต้นว่าเป็นผู้ประพฤติทุดงคุณสิบสาและก็กล่าวสารเสริญคุณของทุดงคือชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยก็เรื่องของทุดงนี้เป็นเรื่องที่พระภิกษุ สามเณรภิกษุณีแม่อุบาศกอุบาสิกาก็สามารถประพฤติได้ตามสมควรแก่ฐานะแต่ว่าพระภิกษุสามารถกระทับได้ครบทั้ง13ประการและท่านได้กล่าวไว้ในวิสุทธิมัชกว่าสมบัติในมนุษย์ทั้งหลายอันใดก็ดีสมบัติในเทวดาทั้งหลายอันใดก็ดีเมื่อท่านผู้มีศีลอันถึงพร้อมปรารถนาแล้ว สมบัติเหล่านั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่ท่านจะได้โดยยากเลยก็หมายความว่าถ้าเราปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เสวยสมบัติอันสูงสุดของมนุษย์เช่นเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือจะเสวยสมบัติในเทวโลกเป็นเท้าสักกะเป็นต้นก็จงทำศีลให้ถึงพร้อมแล้วตั้งความปรารถนา ก็จะได้สมบัติแห่งมนุษย์และทิพยะสมบัตินั้นโดยง่ายโดยเฉพาะพระภิกษุก็สามารถได้โดยง่ายเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์อันหนึ่งนิพพานสมบัติอันสงบสุดยอดนี้อันใดใจของท่านผู้มีศีลอันถึงพร้อมแล้วย่อมแล่นไปสู่นิพพานสมบัตินั้นนั่นแหละหนึ่งเนือง นี่ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมบัติอันสูงสุดคือความสุขสูงสุดได้แก่พระนิพพานนี้ผู้มีศีลถึงพร้อมนั่นแหละจะสามารถระลึกถึงหรือเห็นคุณของพระนิพพานได้ว่าศีลของเรานี่แหละจะเป็นเหตุให้ได้ถึงพระนิพพานใจของท่าน ก็ย่อมแล่นไปไหมถึงชวาวณจิตจิตของท่านเนี่ยก็จะแล่นไปสู่พระนิพพานถึงแม้จะยังไม่ได้พระนิพพานคือยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ตามแต่ก็รู้คุณของพระนิพพานว่าเป็นที่ระงับความทุกข์ในวัฏสงสารได้ทั้งปวงสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติก็ยังมีทุกข์เพราะยังหนีไม่พ้นความแก่ความตาย แต่พรนธิพานพ้นไปแล้วจากความแก่ความตายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรยาบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงพันธิพานแล้วหรือเป็นเจ้าของสมบัติคือพันิพาลแล้วเพราะทำให้แจ้งด้วยมรรคจิตนี่เป็นอานิสงส์อันมากบายของศีลซึ่งเป็นรากเงาแห่งสมบัติทั้งปวงรากเงาก็ เปรียบจะเหมือนกับรากต้นไม้นั่นแหละที่เมื่อมีรากมั่นคงดีแล้วก็จะทำให้ต้นไม้เติบโตทั้งลำต้นทั้งกิ่งก้านทั้งใบและดอกผลก็จะออกมาชั้นใดก็ดีศีลเนี่ยเป็นเหตุที่จะให้ได้สมบัติทั้งปวงคือพระนิพพานสมบัติเป็นที่สุดถ้าเราทำลายศีลของเรา ก็เท่ากับเราทำลายมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติของเรานั่นเองบุคคลผู้มีศีลถึงพร้อมย่อมได้รับความสุขแม้ยังไม่ได้สมบัติคือความเป็นมนุษย์หรือทิพยพยาสมบัติแต่ศีลสมบัตินั่นแหละให้ความสุขได้เพราะมองไม่เห็นโทษที่จะทําให้เกิดความเดือดร้อนใจสะดุ้งกลัวต่อศีลวิบัติเลย แล้วท่านยังได้กล่าวอีกว่าศีลเนี้ยจะบริสุทธิ์จะผ่องแผ้วได้ก็ด้วยคุณธรรมคือความมักน้อยความสันโดษความประพฤติขูดกล่าความสงัดความไม่สะสมความปรารบความเพียรความเป็นคนเลี้ยงง่ายจะทำให้ศีลเนี้ยบริสุทธิ์จะทำให้ศีลเนี้ยผ่องแผ้วท่านเปรียบเหมือนว่า ศีลเนี่ยถ้ายังจะมีมนทินอยู่คือมีกิเลสมาแตะต้องอยู่คือมีโลภโกรดหลงมาแตะต้องก็พึงล้างด้วยความมักน้อยความสันโดษอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ความมักน้อยความสันโดสนี้จะได้ด้วยอะไรก็จะมีได้ด้วยการประพฤติธุดดงเพราะฉะนั้นทุดดงเนี่ยจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปกว่าศีลแต่เป็นเครื่องชําระศีลให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้หมดจด ท่นานอธิบายว่าความมักน้อยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้นะมีอยู่ในพระมหากสปะเทระโดยบริบูรณ์บุคคลที่เรียกว่าผู้มักน้อยเพราะว่ามีความปรารถนาน้อยจริงๆแล้วคือไม่ปรารถนานั่นเองได้แก่ผู้ไม่ผู้ปราศจากความติดข้องในปัจจัยติดข้องเนี่ยก็เป็นลักษณะของโลภะที่ติดข้องอยู่ใน อาหารจีวรเสนาสนะเหล่านี้แต่ว่าผู้มักน้อยนั้นไม่ติดข้องเลยเพราะไม่มีโลภะจะได้อาหารดีอย่างไรอาหารเลวอย่างไรก็ไม่เกิดโลภะอะไรพอใจความพอนั่นแหละความคิดว่าพอนั่นแหละเป็นความไม่เป็นความมักน้อยคือไม่ปรารถนาอย่างอื่นอีกและ ภาวะคือความเป็นไปของบุ้คลผู้มักน้อยหมายความว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยในความไม่โลภตัวอโลพาเนี่ยคือไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆบุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลกเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะเราไม่เราโลภกันนั่นเองถ้าเราไม่โลภซะแล้วเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆที่จะเสียหายแก่ตัวเองแก่ส่วนรวมนี่จะไม่เกิดแต่เพราะความโลภโดยเฉพาะโลภในเรื่อง ปัจจัยสี่อาหารจีวรที่จะต้องการได้ดีๆรวมไปถึงอย่างอื่นอีกสักการะอื่นๆ อ, อันนี้ทำให้เกิดเหตุที่ปฏิบัติเดือดร้อนตัวเองแนละผู้อื่นส่วนความสันโดษหมายถึงว่าความยินดีเสมอหรือยินดีด้วยของตนที่มีอยู่ตัวเองมีสมบัติอะไรได้อะไรมาก็ยินดียินดีในที่นี้ก็คืออะโลภะ คือพอใจนั่นเองความสันโดษได้แก่ความยิน ด, ดีด้วยปัจจัยสี่ทั้งหลายตามได้คือเท่าที่มีเท่าที่ได้ไม่ปราถนาปัจจัยอื่นอื่นอีกซึ่งได้อธิบายไปแล้วถึงเรื่องความสันโดษเนี่ยคุณเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความผ่องแผ้วหรือบริสุทธิ์ของศีลและต่อไปก็คือ คามประพฤติขูดเราได้แก่การขูดการตัดการกระทําให้เบาบางซึ่งกิเลสทั้งหลายนั่นเองก็คือธุดงนี่แหละทุดงเนี่ยประพฤติเพื่อจะขูดกิเลสคือกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ขูดขูดใจเราให้เศร้าหมองให้เจ็บให้เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกิเลสอะไรแต่เมื่อเราประพฤติธุดงขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ทุดงเนี่ยจะไปขูดกิเลส ไปขัดหรือไปตัดกิเลสทำให้มันเบาบางลงเพราะอำนาจของอโลภะอำนาจของปัญญาที่จะต้องสมาทานทุดงประพฤติทุดงให้ดีหรือว่าความสงัดความสงัดนี่ก็จะเป็นอุบายที่จะทำให้ศีลเราผ่องแผ้วคือความเป็นผู้มีกายตั้งอยู่ในความสงัดอันเป็นอุบายแห่งความสงัดจิตคืออยู่ในที่สงัดกายซก่อน แล้วจะเป็นเหตุให้ได้มีความสงัดจิตคือจิตนั้นไกลาจากกิเลสด้วยการที่สมาทานทุดงแล้วประพฤติกรรมาฐานนอกจากนี้ยังมีความไม่สะสมคือการปฏิบัติโดยประการที่กิเลสทั้งหลายจะไม่สะสมคือกิเลสสั่งสมในจิตไว้ไม่ได้คือสั่งสมในความมันเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดอยู่ต่อนเนื่องนาน ทำไมจึงสั่งสมไม่ได้เพราะการปฏิบัติทุดงนั่นแหละและนอกจากนี้ความปรารบความเพียรคือเป็นผู้ได้ปรารบความเพียรแล้วด้วยอํานาจที่ไม่ทํำบาปรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโรคโกรธหลงลิษยาตณีที่ยังไม่เกิดก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นด้วยการปรารบความเพียร อีกประการหนึ่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าเป็นคนที่อุปถากทั้งหลายเลี้ยงดูได้โดยง่ายซึ่งความเลี้ยงง่ายนี้สําเร็จจากความมักน้อยสันโดษตามที่ได้กล่าวมาแล้วรวมทั้งท่านสงเคราะห์อเอาความเป็นผู้มีกิจน้อยความประพฤติเบาไว้ด้วยรวมไว้ด้วยถ้าบุคคลใดประพฤติสมาทานทุดงแล้วคุณสมบัติคือความตันโดดมักน้อย ความประพฤติขูดเกาความสงัดความไม่สะสมความปารคความเพียรความเลี้ยงง่ายนี่ก็จะเกิดแล้วก็จะเป็นเหตุให้ศีลทั้งหลายนี่องแผ้วโดยจะพ่ออย่างยิ่งท่านบอกว่าความสันโดษในจีวรบินทบาทและเสนาสนะเมื่อมันมีความสันโดษพอใจตามจีวรที่ได้ตามบินทบาทที่ได้ตามที่อยู่อาศัยที่ได้อันนี้เรียกว่าอาริยะวงสาม วงของภริยะท่านสันโดษในบินทบาทในจีวรในที่นาสนะเมื่อตั้งมั่นดีแล้วก็จะเป็นปัดใจให้ถึงอริยะวงที่สีคือการยินดีในการเจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนทุดดงช่วยอย่างนี้จเจริญทั้งสมถะแล ะ, จะเจริญทั้งวิปัสสนาคือเป็นผู้ประกอบชอบ ในสมถภ า, าวนาและวิปัสนาภาวนาเพราะเหตุว่าไม่มีเครื่องกังวลใจถ้าเรายังกังวลอยู่ว่าแม้ทำไมวันนี้ได้บินทบาทดีพรุ่งนี้เราควรจะได้ดีกว่านี้กิเลสที่มันคิดอย่างนี้โลภะที่มันคิดอย่างนี้มันไม่เอื้ออำนวยเลยที่จะทำให้การเจริญสมถะดีหรือวิปัสนาดีเพราะมันเป็นนิวรณ์ที่เกิดขึ้น หรือว่าคิดห่วงใยถึงจีวรเสนาสนะของเราว่าแหมจีวรของเราก็เก่าเสนาสนะก็ผุพังจะต้องหามาจีวรมาเปลี่ยนใหม่ความกังวลนั้นเป็นโลภะเนี่ยมันก็เบียดเบียนจิตใจทำให้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้โดยชอบหรือการครุบครีดด้วยหมู่คณะก็เช่นกันเพราะฉะนั้น จำเป็นจะต้องประพฤติทุดงเพื่อให้เป็นเหตุปัจจัยในการเจริญสมถะภาวนาโดยปกติแล้วชีวิตของพระภิกษุนั้นมีอันตรายก็คือลาบสักการะนี่แหละลาบก็ปัจจสี่สักการะก็คือของที่เขาตกแต่งอย่างดีแล้วเอามาบูชาเรามายกย่องสรรเสริญเรา ลาบสักการะนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกามิตรคือเป็นอามิตรในโลกเพราะว่าถูกตันหายึดถือได้โลกในหมายถึงสัตว์โลกและเพราะความเป็นของที่นับเนื่องเข้าในโลกโลกามิตรคือลาบสักการะนับเนื่องเข้าไปในโลกก็คือมันเป็นของนับเนื่องอยู่ในกาลมาคุณที่ยินดีของตันหาแล้วก็นับเนื่องในโลกเพราะว่ามัน พี่นาศย่อยยับไปอันนี้แหละจะถูกทุดงกาจัดเสียไม่ยินดีหรอกในลาบสาการะที่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวตันหาที่จะไปยินดีนั้นมันถูกข่มถูกกาจัดไปด้วยความสันโดษมากน้อยเหล่านี้นี่คุณธรรมที่พระมาหากรสปะเทระท่านมีเนี่ย บกครบบริบูรณ์ในการประพฤติธุดงของท่านเพราะฉะนั้นท่านปฏิบัติอยู่เพียงแปดวันตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ท่านสามข้อว่าให้ตั้งใจฟังธรรมให้เคารพในพระภิกษุทั้งหลายแล้วก็ให้มีสติเป็นไปในกายแต่ท่านได้ประพฤติศีลดีทุดงดีด้วยเพราะนั้นวันที่แดก็สามารถบรรลุอรหั ต, ตผลได้ อันนี้เป็นชีวประวัติที่น่าเรื่อมใสของพระมหากัสปะเถระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ประชาชนบอกว่าไม่รู้จะนับถือพระองค์ไหนแล้วเพราะว่าพระที่มีชื่อเสียงขึ้นมาว่าเป็นพระดีพระเด่นพระดังนั้นมีเบื้องเบื้องหลังไม่งดงามคือเบื้องหลังเป็นคนทุศีลหรือเป็นผู้ที่ ประพฤติไม่ได้ตามธรรมวินยัยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายนะไม่แสวงหาคุณของพระอริยะสงฆ์ถ้าท่านมารู้จากคุณของพระมหากัสปะเทระบ้างท่านก็จะสบายใจ ว่าผู้ที่ประพฤติตามธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีอยู่เราก็เคารพกราบไหว้ไปไม่จาเป็นจะต้องไปหาพระที่ไหนนอกจากที่พระเจ้าท่านสแสดงไว้คืออริยะสงฆ์แปดบุคคลนะบุคคลแปดแปดชนิดแปดประเภทหรือว่าสี่คู่ถ้าเรารู้คุณานแล้วเรากราบท่านได้ทุกเวลา เราลิกถึงคุณของท่านนะเช่นคุณของพระมหากระสปะเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์มีทุดงคุณที่บริสุทธิ์มีความสันโดษมากน้อยความประพฤติขัดเกลาย่างยอดเยี่ยมอย่างเนี้ยสบายใจไม่ต้องไปเสื่อมศรัทธาว่าแม้พระสงฆ์สมัยนี้คงจะเสื่อมเสียกันไปหมดแล้วเราไม่ควรจะกราบไหว้ ไม่ควรจะเคารพนับถือบางท่านก็บอกว่าต้องเลือกว่ายก็เลือกแล้วรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงว่าที่เราเลือกไปแล้วน่ะถูกเป็นพระอริยะสงฆ์จริงๆไม่ใช่ว่าเห็นกิจยาท่าทางแล้วจะรู้ได้ว่าองค์นี้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เรารู้เอาเองคือตัดสินเอาเองว่ า, อ, าองค์นี้น่าว่ายเพราะเห็นว่าสํารวมแต่จริงๆแล้วเรื่องกรรมชั่วเนี่ยมันอยู่ภายใน มันไม่มีใครรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็เคารพกราบไหว้บูชาพระอริยสงฆ์เลยเช่นพระมหากัสปะเทระนี่แหละบริสุทธิ์โดยแท้ปลื้มใจได้เต็มที่กราบได้สนิทใจไม่ต้องไปสงสัยแล้วจริงๆแล้วพ ร, ระรัตนตรัยน่ะสังคราตนะหมายถึงพระอริยสงฆ์เท่านั้น คือยังความยินดีให้แก่ผู้ที่เคารพศรัทธาได้จริงๆ <S <S 1> <S 1> คือแค่ศีลเนี่ยก็ยินดีได้แล้วท่านมีศีลบริสุทสุดเมื่อคราวที่แล้วได้แสดงจันทระปมะสูตรถึงมาถึงเรื่องของการแสดงธรรมว่าภิกษุที่แสดงธรรมไม่ดีคือไม่ตั้งความเคารพในธรรม ไม่ตั้งความกรุณาไว้ในสัตว์โลกทั้งหลายก็มักจะคิดว่าเมื่อเราแสดงธรรมแล้วให้คนฟังอะเลื่อมใสตัวเราอย่าไปเลื่อมใสธรรมะแล้วแสดงอาการของการเลื่อมใสต่อตัวเราทำมาเทศนาอย่างนี้เนี่ยไม่บริรสุทธิ์แตเราสังเกตดูให้ดีเถอะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมะของ พระอาจารย์ต่างๆออกมามากมายนะเป็นเทพเป็นหนังสือตั้งชื่อกันแปลกๆออกจําหน่ายออกเผยแพร่ทําไมล่ะเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงไม่ใช่หรือทํำไมเราลืมตัวไปแล้วหรือไงว่าเราเนี่ยไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้มีการบําเพ็ญบารมีมาเพื่อตัดสรู้ การที่เราจะกล่าวว่าเป็นพระธรรมของเราเนี่ยมันเป็นอาการของความเป็นโจรความเป็นขโมยไม่ควรทำอาประสมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าดูกนภิกษุทั้งหลายกับสปะเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ย่อมแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัต อันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองอันนี้ก็คือสวาขาโตพระวตาธรรมโมสัท ธ, ธิธโกนั่นเองว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีที่สุดแล้วไม่มีผู้ใดหรอกที่จะมีปัญญาแสดงพระธรรมได้เสมอพระผู้พุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าบุคคลผู้ฟังธรรมแล้วพ้นทุกไปนับไม่ถ้วนทีเดียวพระองค์แสดงพระธรรมมาจากกัปวัตตะสูตร พระสูตรแรกจริงอยู่พระอัญญากลธัญญะเป็นมนุษย์บรรลุโสดาปฏิผลแต่เทวดาพรหมนับไม่ถ้วนที่ได้ฟังและบรรลุแล้วยังมีพระสูตรอื่นๆ อ, อีกมากมายเช่นมงคลสูตรอย่างเนี้ยทั้งหลายได้ฟังแล้วก็อาศัยพระธรรมทำให้เกิดปัญญากำจัดกิเลสได้เป็นอริยบุคคลกันมากมายเพราะนั้น ท่านตัดไว้ดีแล้วถูกต้องสมบูรณ์กับโลกุตรธรรมคือมรรสีผลสีและนิพพานเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้บรรลุจะพึงเห็นเองคือรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยใครเขารู้จริงไหมว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ในไม่ต้องไปเที่ยวถามเขาเมื่อรู้แล้วก็รู้เองแล้วไม่ คือไม่ต้องอาศัยการเวลาหมายความว่าเมื่อได้บรรลุมรรคเกิดขึ้นแล้วมรรคดับลงผลก็ได้ทันทีเป็นสิ่งที่ควรเรียกให้มาดูเรียกให้บุคคลทั้งหลายมาดูคําสอนที่ว่าประเสริฐแค่ไหนบริสุทธิ์แค่ไหนน้ากิเลสออกได้จริงแค่ไหนควรน้อมเข้ามาในตนนะควรจะน้อมถ้อยคำที่พระเจ้าแสดงเข้ามาไว้ในใจเพื่อ เอาไว้พิจารณาเอาไว้ให้เกิดปัญญาแทงตลอดอันวิญยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนคือวิญยูชนหมายถึงว่าผู้มีปัญญาก็จะรู้ได้เฉพาะตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นรู้โอ๋นอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็คันฟังธรรมแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมก็แลขั้นรู้ทั่วถึงธรรมแล้ว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้อาศัยความที่ทําเป็นธรรมอันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนราวอื่นอาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนลาวอื่นอาศัยความเอน็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนลาวอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนลาวอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะ ก, กล่าวสอนพวกเธอตามอย่างกัสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัสปะ เราก็จะ ก, กล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นก็แล้วพวกเธอได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้นี่เป็นเนื้อความตอนท้ายของจันทุปะมะสูตรว่าต้องอาศัยความเคารพพระธรรมอาศัยความการุณาอาศัยความเสียสละความคิดอนุเคราะห์แก่ผู้อื่นจึงได้แสดงธรรมถ้าเขาไม่ได้ยินธรรมะเขาไม่ได้รู้ธรรมะเขาจะไม่พ้นทุกข์ เขาจะไม่รู้จไม่รู้จักหรอกว่าความโลภนะ่ะมันเป็นศัตรูของเขามันนำความทุกข์มาให้เขานะครับไม่รู้แน่เขาก็จะเห็นผิดไปว่าในความโลภเราเป็นตัวเขาความอยากได้มันให้ความสุขแก่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะต้องกล่าวสอนและผู้ใดก็ตามทําตามพระมหากัสปะเถระพระผู้มีรภาคก็บอกว่าจะกล่าวสอนให้พื่ตามผู้นั้น และเมื่อได้รับโอวาทแล้วก็พึงประพฤติอย่างอย่างนั้นน่ะตามตามโอวาทนั้นนี่เป็นเรื่องของของอจันทูปมสัสสูตรแต่เนื้อความในอัตฉริยะมีอธิบายไว้หลายอย่างเพราะว่าจันทูปมสัสสูตรเนี่ยแสดงหลายเรื่องเริ่มต้นตั้งแก่การภากพากกายภาคกายพราคจิตออกซึ่งอธิบายไปแล้ว และก็อธิบายแล้วก็กล่าวถึงว่าเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองในสกุลเข้าไปสู่สกุลคาว่าผู้เป็นผู้พวกเธอเป็นผู้ใหม่เป็นนิดคือเป็นเหมือนกับแขกที่ไปหาเจ้าของบ้านเขาด้วยว่าอาคันตุ ก, กะเข้าไปสู่เรือนที่ถึงเข้าตามลำดับถ้าจะล้องเรือนเห็นเขาเข้าก็คิดว่าบุตร ที่น้องชายของพวกเราไปพักแรมเที่ยวไปอย่างนี้ดังนี้เมื่ออนุเคราะห์เชิญให้นั่งให้บริโภคพอเขาบริโภคเสร็จก็คิดว่าท่านจงถือเอาอาหารของท่านเถิดดังนี้แล้วลุกขึ้นหลีกไปย่อมไม่ทําความคุ้นเคยกับเจ้าของเรือนเหล่านั้นอันนี้หมายถึงพระภิกษุที่ไปเที่ยวบิณฑบาตก็จะ ต้องทําเหมือนกับเป็นแขกไปสู่บ้านเมื่อไปพักในบ้านเจ้าของบ้านเขาให้บริโภคก็บริโภคเสร็จแล้วก็ก็รีบกลับไปเพราะคิดว่าเจ้าของบ้านเขาจะมีกิจที่จะต้องทําเราก็จะไปทํากิจของเราไม่ต้องไปทําความคุ้นเคยท่านแสดงว่าแม้พวกเธอคือพระภิกษุเข้าไปสู่เรือนที่ถึงเข้าตามลำดับคือเดินไปถึงบ้านไหนแล้วเขานิมนต์พวกมนุษย์ผู้เลื่อมใสในอธิยาบทจะถวายสิ่งใด รับเอาสิ่งนั้นตัดความคุ้นเคยเป็นผู้ไม่ขวนขวายในกรณีกิจของมนุษย์เหล่านั้นออกไปดังนี้ไม่ต้องไปช่วยเขาทำเรื่องอะไรกันเขาจะเดินกระบวนประท้วงทุบหลักสี่หรือทุบบางเขนก็เรื่องเขาไม่เกี่ยวกับเรานะเราไปของเราท่านได้กล่าวเรื่องของสองพี่น้องเอาไว้เพื่อความแจมแจ้งของความเป็นผู้ใหม่เป็นนิดคือทำตัวเหมือนเรา ไม่รู้จักเขานะมาเจอก็รู้จักกันที่ตรงเจอตรงนั้นนะ่ะเขาใส่บาทแล้วก็หลบลีกไปไม่ต้องไปกังวลใจห่วงอะไรกับบุคคลนั้นนั้นอีกมีเรื่องว่าได้ยินพี่ได้ยินว่าพี่น้องสองคนออกบวชจากบ้านวโสรนครอันนี้คงเป็นเมืองอยู่ในประเทศศรีลังกาพี่น้องสองคนเหล่านั้น คือพระจุลนาคเถระและพระมหานาคเถระมหานาคเลยเป็นพี่จุลนาคเลยเป็นนอ้องพระเถระทั้งสองอยู่บนภูเขาจิตละบรรพศตลอดสาบปีก็อยู่ในสีร่างกายเหมือนกันบนรรลุพระรหัสแล้วคิดว่าเราจะเยี่ยมมารดาคิดถึงมารดาก็จะมาเยี่ยมก็เลยมาแล้วพักอยู่ในวิหารในวสวรนคร เช้าขึ้นก็เข้าไปเดินบาทที่บ้านมารดาแม้มารดาก็นํเข้าวต้มออกไปตักบาทด้วยกระกระบืยใส่ข้าวต้ ม, มนะถวายพระเถระทั้งสองพระเถระเดินตามกันมาเมื่อนางผู้เป็นมารดาใส่ข้าวต้มลงในบาทของพระเถระผู้พี่นางก็มองดูพระเถระนั้นก็เกิด ความรักเหมือนกับบุตรความจริงก็เป็นบุตรจริงๆแหละแต่ว่าจำไม่ได้เพราะว่า30ปีเนี่ยจากแม่ไปครั้งนั้นนางจึงกล่าวกับท่านว่าลูกท่านชื่อมหานาคเป็นลูกของเราใช่หรือไม่ถามท่านองแรกพระเทระกล่าวว่าอุบาสิกาท่านจงถามพระเทระรูปหลังเถิด แล้วก็หลีกไปไม่ตอบไม่ตอบว่าเป็นลูกก็รับบาทแล้วก็หลีกไปนางก็ถวายข้าวต้มแกพระเถระรูปหลังแล้วก็ถามว่าลูกท่านชื่อจุลนาคเป็นลูกของเราหรือคือมหานะใหญ่จุละก็แปลว่าเล็กพระเถระจุลนาค ก, กล่าวว่าอุบาสิกาท่านไม่ถามพระรูปก่อนหรือดังนี้แล้วก็หลีกไป สรุปว่าไม่มีใครบอกหรือว่าเป็นลูกไม่มีใครได้บอ ก, กบมารดาเลยว่าตนเองเป็นลูกหรือว่าองค์ที่เดินก่อนเป็นลูกองค์ที่เดินหลังเป็นลูกไม่ได้บอกเลยเหตุใดเป็นเช่นนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระหันห ม, หมดความคุ้นเคยกับมารดาอย่างนี้ภิกษุผู้ตัดความคุ้นเคยกับมารดาอย่างนี้ชื่อว่าผู้ใหม่เป็นนิดก็ไม่ไม่เย็น ไมไ่ถือว่าเราเป็นลูกถือว่าเป็นพระผู้มาบิธบาทแล้วก็ประพฤตินตนเป็นผู้ใหม่ตามคำสอนพระพุทธเจ้าเดินลีกไปนี่เป็นคุณธรรมของพระภิกษุผู้ไม่ติดข้องในสกุลแม้เป็นมารดาบิดาของตนเอง